อันนี้ก็เป็นบันที่สี่นะที่เราในอยู่ปฏิบัติธรรมกันอย่าตอนเนื่องสติมันต่อเนื่องบ้างไหมขาดเชื่องเยอะไหมให้เราตัวตเองนะเอาง่ายๆนะดูตอนเช้าน่ะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวได้ได้เองไหม บางทีพอเราพอเราพักก่อนพอสมควรพอตื่นขึ้นมาเนี่ยสติมันก็มาดูเลยมาดูตัวเองต่อเลยนะดูเห็นร่างกายนะงทีเห็นร่างกายนอนเห็นางกายนน ห, นนกหายใจนะไม่จะไม่ลุกนะบางทีเรานอนกับเพื่อนหลายคนเรากอาจจะตื่นก่อน แต่ถเราก็ยังไม่รู้ก่อนแล้วก็นอนดูตัวเองหายใจนอนเห็นร่างกายหรือขยับไปเห็นไหมมันมันเห็นของมันเองนะไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจต้องรู้ตัวนะแต่มันรู้ของมันเองเอ น, นี่คือถ้าใครรู้สึกแบบนี้ก็คือสติมันก็เริ่มต่อนเนื่องของมันเองละอืเราจะรู้ขึ้นเราจะเก็บข้าวหอมเราเจะ ไปเข้าห้องน้านะเราจะเดินมาที่นี่มันก็เออมันก็ดูนะเราจะมันก็ดูเนี่ยมาว่าการที่ถ้าเราที่อยู่กับตัวเองนานๆนะต่อเนื่องมันก็จะช่วยให้สติมันมันก็มีความเป็นอัตโนมัตนะมีความชำนาญในการรู้ได้บ่อยอินเทอร์โบท่างๆเนียย่อยนะเราก็จะรู้ได้ นเยอขึ้นะการทำในการทาในรูปแบบทเยอะๆนะในช่วงแรกของการที่เราเะ็บปฏิบัติธรรมเนาะมันก็มีความจำเป็นมากนะจำเป็นที่ต้องคลายเก็บอารมณ์เนกะ็บอารมณ์สงไหนคําคำว่าเก็บอารมณ์นี่มันก็มีในสองลักษณะนะลักษณะหนึ่งคือแบบ ขอเก็บอารมณ์เลยนะไม่ทําอย่างอื่นนะปฏิบัติตลอดเวลานะไม่พูดคุยไม่ทํากิจอย่างอื่นนะอันนี้ถ้าใครมีอกาสก็ลองทําก็ดีนะอย่างตมาเองตอนเขามีอกาศตั้งแต่ปวดมาก็เคยเก็บอารมณ์อยู่สี่ครั้งอครั้งแรกก็เจ็ดวันครั้งที่สองสิบห้าวันในพารตาแรกเลยนะ ก่อนเขาพรรษาแรกเลยบวชได้ไม่จะประมาณ 5-4-5 เดือนลองดูเขาว่าเก็บอารมณ์เป็นแบบไหนนะเขาลองดูนะอขนาดแค่เจ็ดวันนะยังเห็นจิตมันดิ้นพอสมควรเลยนะแต่เก็บอารมณ์ทสมัยก่อนเนะี่ยเขาเข้มนะักเข้มแต่เก็บอารมณ์สมัยนี้มันเือเข้มปล่านะทําัยก่อนเนี่ยนะนะ ไม่พูดคุยเนี่ยก็ไม่พูดตัวจริงๆนะไม่อ่านหนังสือก็ไม่อ่านจริงๆนะอืทําตั้งแต่ตื่นนะนะตีสามปรนะมาณนั้นะตื่นจันดับนะสองสองทนะาทุ่มอะไรเงียก็ทําจริงๆนะนะไม่มีพักกัางวันไม่มีอู้ไปทําอย่างอนะื่นแต่ถ้าเราลองทําบนี้ดูมันมันเหมือนเคี่ยวตัวเองเยอะจริงๆนะ ทำไปแรกๆนะกี่กนะ็ตอนที่ยังเหมือนลมลุกคุกทาด น, นะบางทีก็ต้องการกำลังใจนะบางทีก็มองเมื่อไหรหลวงพ่อจะมาตอบอารมณ์น้องๆนะแต่เจ็ดพันหลวงพ่อก็ไม่เคยมาหลวงพ่อทีรือเป่าก็ไม่รู้นะแต่บางทีทำไปนานๆมนก็มันก็มีความท้อบ้าง น, นะมีความ เนื่อยบ้ามีความสงสัยต่างๆบ้างแต่ก็ทําเอานะมันก็ต้องสู้เอาด้วยตัวของเราเองแต่พอเราทําไปเรื่อยมันก็อืมมัน ก, นก็พอได้นะพอได้เนะดินทเยอะๆนะยกมือก็สลับเป็นกําเดินแต่ก็น้อยกว่ายกน้อยกว่าเดินเนะี่ยก็ทําเอาเนี่ยนะทําเอานะมันก็เห็น เห็นความสงสัยในใจเนี่ยเห็นความเบื่อในใจมันนี้นะก็ลองดูแต่พอเข้าพรรษาแรกอยู่ครูรงก็คอยคอยจนันเหตุการเก็บอารมณ์สิบสี่วันนะสิบสี่หวันปักหนึ่งแต่ตอนนั้นมันทำแบบจะเอาเกินไปอยากจะบรรลุธรรมนะอยากจะ นั่นะอยากไปได้เึ็นพระโสดาบันแต่จริงความอยากมันคือมันอยากเก่งเท่มันอยากจะดีมันอยากเก่งเก่งเลยนักอยากจะาอวดเลยบางทีหลวงพรอลงชิงก็เคยสอนเรานะแบบไม่ให้ทําด้วยความอยากเลยเนี่ยไม่อยากเอาอยากได้อยากเป็นอะไรต่างๆแต่พอปฏิบัติจริงๆมันบางทีความ เรียว่าตัณหาเนอะมันก็มาหลอกเราให้ให้เราแบบอืมยากเนี่ยมันก็เป็นเพิ่มอัตราเพิ่มมานะแต่เองนะแต่ก็มันก็ดีเหมือนกันนะคือเราก็ทําเป็นที่นั่นแหละนแต่มันก็มีความอยากเข้ามาเจอด้วยมันก็เห็นความทุกข์ชัดขึ้นนะอืมันเป็นทุกข์มันเห็นเลยว่าที่จริงทุกข์จริงๆที่งมันเกิดขึ้นเนี่ย ทุกข้ความอยากของตัวเองนะทุกทางกายมันก็แค่ระดับหนึ่งนะมันก็มันก็ดู ม, มันก็อาจจะมากกว่าคนทั่วไปนะเดินวันลถ่ายติดชั่วโมงนะนั่งยืดมือสดับบ้าเลยนะสู้กับความง่วงสู้กับยุงสู้กับอะไรต่างๆความคิดแต่เองต่างๆมันก็สู้นะแต่จริง สิบสี่วันเนี่ยไอ้สู้กับทางด้านด้านร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนะอาจจะด้วยความยังหนุ่มอยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่สู้กับความแต่แต่ความอยากเนี่ยมันกดเราจนเป็นทุกข์มากออความยายอยากนะอยากจะได้เอยากจะบรรลุธรรมอยากจะอะไรนะมันมาทําเราให้เป็นทุกข์พอเริ่มเห็นเนาะอื ไอ้ที่มันทุกข์จริงๆเลยไม่ใช่เพราะอะไรนะทุกเพราะว่าอยากจะได้อยากจะได้พอเห็นว่าความอยากจะได้มาทําให้เราเป็นทุกข์มันก็มันก็คยๆลายขังมันนะอืมมันก็จะเริ่มอืไม่ได้ก็ได้นะอย่างนะ้แต่ก็ยังทําอยู่นะมันก็เยอะไม่ได้ก็ได้นะ แ, แรกๆก็เสียใจทำไมไม่ได้นะคิดว่า มือนคิดว่าถ้าเราทําเป็นที่เที่ยวเต็มที่นะั้นมันต้องได้นะต้องได้นะแต่จริงได้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบังคับเอานะเราต้องอืมมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่มันก็ดีนะทําให้เราเห็นเห็นว่าที่เราก็เราปฏิบัติรีเรื่อเลแต่พอจะเอาจริงมันก็ไม่เรื่อยละมันก็จะเริ่มแบบ ไปยากนะมันก็หนักมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาในใจแต่ถ้ามองไปจริงมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะประสบการณ์ที่ดีถ้าช่วงไหนที่เราได้ปฏิบัติต่อเนื่องแต่เช้าจนค่ํานะตื่นจนหลับนะทํางานอย่างอื่นให้น้อยลงเนะี่ยเราก็จะเห็นเห็นใจจะเองเห็นกายจะเองชัดขึ้นนะอืมร่างกายเราก็เห็นอยู่แล้วเพราะว่าเราทําในรูปแบบนะอื ทำรูปแบบเยอะเนี่ยยืนเดินนั่งเนี่ยเป็นเป็นรูปแบบที่เราทำอย่างนี้เราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเป็นทุกข์นะเห็นความปวดความเมื่อยเห็นความม่วงนะต่างๆเนี่ยเห็นบ้างเป็นบ้านนะแปลสลับไปแะ้วเป็นผู้ม่วงบ้างเป็นผู้ปวดบ้างเป็นผู้เจ็บบ้างนะออกมาบ้างเข้าไปบ้างนะสลับแบบนี้นะเข้าเข้าออก เข้าอ อ, ออกก็คือจิตเนี่แหละนะจิตมันเข้าไปเป็นบ้างออกมาเห็นบ้างเนะี่แหละเข้าๆออกๆ เ, เข้าออกไปบ่อยนะมันก็ชนานาญในการออกนะเนี่ยเนี่ยเรื่องเรื่องการเข้าเนี่ยกิเลสพาเข้าแล้วนะไม่ต้องไปฝึกมันก็เข้าของมันเองแต่สุดที่เราฝึกคืําำนาญในการออกมานะออกมาเป็นผู้ดูนะ่ะ ออกมารู้สึกนะสิเชยนะออกมาเป็นผู้สังเกตนะคำว่าสังเกตนะคือออกมาเป็นผู้ดูนะแต่ประษาหลวงพ่อนะหรือเราแค่ว่าออกมาเป็นผู้สังเกตดูเห็นกายเขาเป็นนะแต่แต่ก่อนถ้าเราไม่ไม่มีสตินะเราจะเป็นผู้เป็นเป็นผู้เมื่อยเป็นผู้ปวดเป็นผู้หิวเป็นผู้เบื่ออะไรเนี่ย มันจะเป็นไม่หมเลยแต่พอเรามีสติขึ้นนะเรากออ็เห็นนะมันก็ไม่ใช่เห็นตลอดเวลาไม่ให้เห็นแล้วมันจะไม่เป็นเลยนะแต่มันจะเหมือนเข้าเข้าออกๆ อ, อ, อ, อ, อย่างที่มาว่าด น, นะน่ะเราฝึกเยอะๆเราจะมันจะได้กำลังตรงนี้น ะ, นะถ้าเราทำต่อเนื่องเนยมันจะมีกำลังะจิตจะมีกำลังมากขึ้ น, นแต่ถ้าแบบช่วงไหนสังเกตเลยถ้าแบบ ไปทำอย่างอื่นเยอะนะหรือมีคือจิตมันต้องไปคิดต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไร อ, อื่นเนะี้ยกํำหนดมันก็ตกนะตอนตอนทําในรูปแบบน้อยๆนะต้องไปเกี่ยวข้องกับการงาน น, นั่นะนี่เนี้ยกําลังที่เคยสะสมวามันก็มันก็ลดลงนะมันก็มันก็เป็นมันก็เสื่อมลงไปบ้างนะนก็มีนะเอ นั้นมาก็เลยว่าเออพวกเราเองก็มีเวลาเยอะมิมากเนาะก่งฟังวันนะก่อนกรรมเนนะี่ยลองแบบตั้งใจดูนะทำตัวคล้ายเก็บอารมณ์นะ เ, ออเก็บอารมณ์คือที่จริงมันเก็บอารมณ์จริงอย่างแบบพ่อเขีนเองท่านบอกท่านก็ไม่เคยเก็บอารมณ์แบบแบบไม่ไปทําไม่ทำอย่างอื่นนะแต่จริงเก็บอารมณ์จริงมาว่าความหมายคือการสํารวงนะ สมัมดวงนะสำรวมคือไม่จำเป็นต้องพูดก็ไม่พูดเลยนะไม่จำเป็นต้องไปอ่านเลยก็ไม่ต้องอ่านเลยนะบางอย่างไม่จำเป็นต้องไปทำก็ไม่ต้องไปทำนะจริงๆนะบางทีเวลาเก็บอารมณ์เนี่ยบางทีจิตมันดิ้นนะกว <c ười> ดติที่อยู่มาเป็นปีนะก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรนะแต่พอเก็บอารมณ์นี่มันอยาก จัดกุติอยากแต่งต้นไม้อยากจัดแต่งทางเดินจนคมอยู่นั้แหละนะมันความอยากนะมันจะดากเราไปทำอย่างอื่นนมเห็นคนทักสักคำสองคำเนี่ยดีใจอัไรแบบนะมันก็เห็นนะที่จริงก็เห็นอีกอย่างที่ชัดเลยเห็นใจมันพูดคือความคิดน่ะ เรไม่ไคุยกับคนอื่นนะแต่ความคิดอ่ะมันคุยกับเราบ่อยมากครับอืมมันคิดนั่นคิดนี่นะมันบางทีก็ชวนไปคิดเรื่อยเปลื่อยนะพอเรามีสติเราก็จะกลับมาเร็วนะไอคิดเรื่ยเปลื่อยมันก็อารู้ทันได้เร็วอกลับมาได้บ่อยแต่ไอคิดทำมากนี่มันชวนเราคิดนานเกินนะบางทีเดินเทศนะ เทศในตัวเองฟังนั่นแหละนะไม่เทศคนอื่นฟังเทศในตัวเองฟังขอบคิดนั่นนี่ต่างๆนะแต่เก็บเอารมณ์มันก็ดีมันทาให้เราเห็นนะเราไม่ต้องถ้าถ้ามันเผลอพูดออกไปเผลอไปทําออกไปเนะี่ยก็ถือว่าเราหลงค่อนข้างเป็นตัวนะนะพอรันใจมันอยากจะพูดเราก็พูดตามความอยากใจมันสั่งให้ไปทําอย่างอื่นนะท่านท่านที่ไม่จําเป็นนะ แล้วก็ไปทำตามมันอันนี้เรียกว่าหลงเต็มตัวในจิตมันก็เป็นกายวาจาก็ทำตามมันนะหลงเต็มตัวแต่ถ้าเราลองเก็บอารมณ์แบบสำรวมดูนะเราจะเห็นบางทีอาจจะลหลงใช่ใจแต่พอเราย้ำได้ว่าเออเราเือพูดออกไปตามมันแล้วทำไมเราออกจากทางจงกลงไปทำอะไรเนี่ยเนะี่ยเราก็จะเห็นได้เองว่าเออเราหลมไปละนะลงไปละ มันก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นการสำรวมมันจะช่วยอย่างนี้นะมันจะช่วยเอ๊ะทาไมเราไม่หยิบอะไรมาอ่านเนี่ยหยิบอะไรมาจดเนี่ยมันทีมันก็มันทีปฏิบัติทำอะไรมันรู้อะไรบางอย่างนะมันอยากจะจดมันอยากจะคบคิดอะไรนะหรือบางอย่างมันสงสัยมันก็อยากจะอ่านให้เข้าใจตอนนั้นเลยนะอืยากหาหนังสือมาครูบาอาจารย์ไม่มาแก้เราไม่ให้ก็หาหนังสือมาแก้เราเองก็มีนะ จิตมันอยากแบบนี้นะมันแค่ยากมันอยากแต่ถ้าเราลองดูว่าอือดูสิเ อ, อมันจะเป็นแบบไหนก็นดูมันก่อนก็อยู่กับมันอะไรนะเก็บอดมันจริงๆคือคือการสำดวจลงแล้วก็ไม่ทําตามความอยากไม่ทําตามความเคยชินนะต่างๆเลยมายว่ามันช่วยเยอะมากนะออลองดูนะถ้าเราสำรวจ ว่าจานะไม่จําเป็นจริงๆเนะี่ยอไม่ต้องพูดนะไม่จำเป็นจริงๆเนะี่ยก็ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะปฏิบัติในรูปแบบนี่เยอะๆนะทํางานก็เพียงแค่เนะี้เข้าที่จําเป็นนะกวาดถูล้างจาอนะไรแบบนี้แค่เนี้แหละไม่ต้องไปทําอะไรเลยมากนะอพอพอเร า, เราอยู่กันหลายคนนะ่ะมันทํากันคนนึงคนหน่อยเนะี่ยมันพอละ ไม่จำเป็นต้องไปทําอะไรมากมายอันนี้เป็นเป็นภาคที่เราเรียกว่าเคี่ยวตัวเองสักหน่อยมันจะช่วยเราได้ยังนะมันจะทาให้สติมันต่อเนื่องนะต่อเนื่องนะทําในรูปแบบมันก็ได้ทําเต็มที่ต่อเนื่องพอนอกรูปแบบเนี่ยมันก็เหมือนเราแบบแคล้ายๆเหมือนเราตีกรอบอารมณ์อะไม่ให้ออกไปข้างนอกมากเลย มันก็จะสําบูรณ์นะจะเดินมันก็อืมสายตามันก็ไม่วอกแวกนะจิตใจมันก็จะสํารวมลงนะบางทีถ้าเราไม่สําบูรณมม์นี่มันพอตาไปเห็นอะไรใจก็จะเคยคิดไปพอเห็นเพื่อนที่มาด้วยกันนะโดยเฉพาะเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยสําคัญนะที่รู้จักกันเนี่ยมันจะอดไปอยากพูดจะคุยกับเขาไม่ได้นะอืตอนปฏิบัติใหม่ให่มาว่า ดีเหมือนใจบทีเราไ ป, ไปบวชคนเดียวไม่รู้จักใครเท่าไหรเนะี่ยไม่ค่อยสนิทกันมากเนี่ยมันก็สำรวมได้ง่ายแต่หลายคนพอถ้าไปปฏิบัติธรรมยิ่งมีคนรู้จักไปได้วยกันเนี่ยนอนด้วยกันเลยนะี่กินด้วยกันเนี่ยมันจะเผยรั่วไปกับคำพูดไปกับสิ่งอื่นเนยอะหลวงพ่อเถียนก็เคยเล่านะตอนแรกไปปฏิบัติธรรมมี มีพ่อเท่าคนนี้ก็อยู่บ้านด้วยกันไปปฏิบัติด้วยนะแกก็จะมาชอบชวนของพ่อเทียนพูดนั่นนี่หองพอเทียนก็ตั้งใจปฏิบตัติไม่ยอมพูดกับแกเหมือนแกก็ไม่ค่อยพอใจนั่นแหละเขาก็โกรธไม่พอใจที่หลวงพอเทียนไม่พูดแต่หลวงพ่อเทียนนั้นเอามาปฏิบัติทำหลหาทางที่จะออกจากทุกข์เลยไม่อยากไปเสียเวลาในการพูดตุ้ยนะถือหลวงพ่อบางเขียนก็ ไปปฏิบัติแรกๆตอนยังไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่บางทีก็ไปบางทีมันเบื่อนะไปเขียนเขียนอะไรเขียนเขียนคัดาถาเลยนะเขียนยันนะเขียนคัาเพราะหลวง่อเขียนใชเป็นหมอพีนักเหมือนเบื่อก็ไปเขียนคัดถาเขียนยันเลยนะก็ดีมีมีคนบ้านเดียวกันวานที่ไปปฏิบัติเหมือนกันไปอยู่ก่อะ ท่านเห็นหลวงพ่อเขียนเกี่ยวก็ก็ว่าก็ตำหนิละหลวงพ่อเขียนให้ยกยกมือสุดตัวสร้างสตินะมาเขียนอะไรเสียเวลาขอมันเนี่ยก็เตือนหลวงพ่อามเกี่ยวก็มีนะอือันนี้คือมันก็จะช่วยให้เราได้ระวังมากขึ้นว่าอะไรมันไม่จําเป็นะเราก็ไม่ต้องไปทําถ้าเราเผลอไปทําเนี่ยแปลว่าเออกิเลสเราด่าก็ไปละ ก็ลองดูนะอมาว่ามันก็เป็นโอกาสที่ไม่มากหรอกที่เราจะได้ทําเต็มที่แบบนี้เนาะแต่ถ้าเราต้องกลับไปที่บ้านเนะี่ยมันก็จําเป็นต้องไปทํางานเยอะขึ้นหรือต้องเกี่ยวข้องกับคนต้องพูดคุยมากขึ้นเนะี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะํารวมแบบนั้นนะ่ะอือันนี้คือถ้าเรามีโอกาส ม, มาว่าก็อยากเคลียร์ให้พวกเราได้ ไม่เหมือนเก็บอารมณ์จริงๆลองดูนะนะแค่สองคําวันเนี้ยมันมันจะช่วยมากมันเหมือนคล้ายเหมือนเราอุดดูอุดดูหว่ยอุดรายวอดรายจ่ายออกไปเราหาอะไรรับเต็มที่นะแต่ถ้าเราไม่สํารวมระวังเนี่ยมันเหมือนเราหาเงินเยอะแต่เราก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเออมันก็เหนื่อยในการหา ไม่เคยพอสักทีนะเพราะว่ารายจ่ายเราก็เยอะไปด้วยแต่การสํารวมระ ว, วังอินทรีย์ต่างๆลงเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนดลดรายจ่ายนะลดดูรั่วออกไปจากใ จ, ใจนะแล้วมันก็จะเห็นนะเห็นกายเห็นใจได้ชัดขึ้นนะชัดขึ้นนะเห็นสิ่งที่มันไม่ไม่ค่อยได้เคยเห็นนะเพราะว่าบางอย่างเราจะขิดกับมันเห็นความอยากพูดนะ พันป่าเห็นความอยากทํำนะอันนั้นอันนี้นะแต่บางีเก็บอารมณ์เยอะๆบางทีต้องมีนะถึงพอมันเริ่มเอาจริงมันก็เห็นความอยากจะบรรลุธรรมอะไเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันอืมนะหรือบางทีก็เห็นความลาคาญในใจบางอย่างเราอยู่กับโลกชินๆนั้นเราก็อาจจะไม่ลาคาญนะเสียงเพลงอะไรเนี่ยเพอาะๆหรือว่าแต่พอมันเก็บอารมณ์บางทีก็ลาคาญนะ อย่งมาตอนอยู่ภูหลงนะวัดกับหมู่บ้านก็ห่างกันถ้าแบบระยะ ท, ทางตรงก็น่าจะสามกิโลได้นะ่หะแต่พอกลางวันนะช่วงนี้นเป็นวันเหมือนใกล้ๆวันแม่นะเขาให้เด็กมาร้องเพลงวันแม่ทุกทุกตอนกลางวันเลยนะเราอยู่ปฏิวนเขานะแต่เสียงเด็กร้องเพลง ถ้าเราฟังดีๆมันก็น่ารักนะเด็กร้องเพลงแต่เราฟังเป็นลำานมัก็ลำคาญนะเออคิดแบบปุงแต่งอุตสาอยู่ตั้งไกลอยู่ในป่าทำไมมีเสียงแบบนี้เข้ามาด้วยมันนะวิชากวิจารณ์คุณครูเขากิจกรรมนั่นนี่นหน้าที่เขาก็ส่งเสริมเด็กดีแหละนะแต่ความไม่ชอบใจนะความอยากให้มันสงบอยากให้มันเงียบเลยนะ อยู่ป่าก็คิดว่ามันจะเงียบนะจริงไม่เงียบหรอกนะอยู่ป่าก็มีมแมลงมีสัตว์ร้องมีเสียงลมเสียงใบไม้เสียงต้นไม้นะมันเราจะไปหาความเงียบจริงๆมันมันไม่มีหรอกแต่ความเงียบที่จริงนะมาว่าคือเงียบพอใจมันเลิกคิดนั่นแหละมาถึงนี้นเงียบจริงๆนะพอใจมันมีความสุขในการปฏิบัติธรรมนะ มันมีความสงบเข้ามาแทนที่จากที่เคยฟุ้งซ่านเยอะๆนะพอเราทำต่อเรื่อยๆนะความฟุ้งซ่านมันก็ลดลงนะมันก็น้อยลงไปขรงมันนะความรู้สึกตัวเข้ามาแทนที่นะความสงบเงียบจริงคือใจเรานี่แหละที่มันสงบนะสงบจากความคิดดิ้นรนต่างๆนะแต่ก่อนมันดิ้นไปอดีตคิดปรุงแต่งกาลภพดิ้นไปอนาคตวางแผนนั่นนี่นะ หรือทีก็ดิ้ออกไปในสิ่งรอบตัวแต่พอเราเริ่มอยู่กับตัวเองไม่ปล่อยขึ้นทีเลยเนะ่ะมันก็มีแค่รู้จะทําอะไรก็รู้นะจะนอนก็รู้จะตื่นก็รู้จะเดินก็รู้จะแแพงฟันก็รู้อะไรเนะี้ยม้นก็มีแต่ตัวรู้เข้ามาแทนนะมีแต่คราวนี้ตัวรู้มันจะมากนะตัวคิดจะน้อยลงก็หลงจะน้อยลงเนะี่ยสติมันต่อเนื่อตงตรงเนี้ย จะทําอะไรก็รู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นแม้คิดไปบ้าง น, นะมันก็เห็นได้เร็วนะมันก็เห็นได้เร็วมากนะเหมือนเหมือนผ้าเราสีขาวนะสะอาดนะมีอะไรมาจับมีอะไรมาเพื่อนนิดนึ่งเรเห็นชัดนะแต่ถ้าผ้ า, ผาสีนะ่ะด่าสีนะมีอะไรมาเพื่อนมาอะไรนะ่ะก็มองเห็นยากนะพอจิตที่มันมีสติเยอะๆนะมันเหมือน มันเคียนะติหนาตาที่มันเข้ามากระทบนมันเคลียหมดเลยตาไปเผลอมองเห็นเร็วเลยหูไปเผลอดียินเสียงก็เห็นเร็วใจเผลอไปคิดเนี่ยเห็นเร็วมากเนี่นอันยโสเนี่ยมันมันมีเยอะมากตอนจะนอนเนี่ก็เหมือนกันนะมันก็จะกำหนดสติไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ากำหนดมากไปก็เครียดนะบาทีบางทีก็ เคยแบบกําหนดอยากจะดูจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเป็นแบบไหนเลยนะบันทีจริงจังมากก็กว่าจะหลับนะมันเคยกําหนดมากไปตอนจะนอนก็ต้องผ่อนคลายสักหน่อยจะไปวางใจตัวงานว่าจะต้องรู้ถึงลมหายใจสุดท้ายเลยเนะบาทีมันจะเครียดนะแต่ให้ก็าทำเรื่อยๆไปทำเรื่นๆไปแล้วก็เดี๋ยวมันดับตอนไหนก็ชักมันเถอะนะ แต่ตอนมันเจ็บพิกตัวบางคืนวก็รู้ตัวของมันเองนะมันรู้ตัวแต่บางทีบางคืนมันเหนื่อยมันก็ไม่มันก็ไม่รู้มันก็พักของมันแต่ที่แน่ๆพอตื่นขึ้นมามันรู้ตัวต่อเลยรู้ตัวเห็นร่างกายมันเห็นอาการมันเป็นแบบไหนแต่ถ้าวันไหนราทำต่อนี่นักตื่นขึ้นมาจะสดชื่นแต่วันไหนถ้าไม่ค่อยได้ทำมากเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนเพียมันเหมือนไม่สติกระเป๋าเนี่ยนี่มันก็เป็นอันิสง่งที่มันถ้ามันทําต่อเนื่องเยะๆนะมันก็จะเห็นอนันหนงทีเพื่องนี้นะแต่ก็ฝากไว้แค่ว่าคือเราทําเหตุนะปฏิบททัติทํามหรืการทําเหตุไม่ใช่ไปหวางผลถ้าทําเหตุแบบอยากจะได้ผลมากเนะี่ยมันจะไม่ใช่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่ได้ทําด้วยใจซื่อๆน่ะมันมันเจือด้วยกิเลสปัญหาเนี่ยมันก็มันไม่ค่อยดีนะมันมันจะทําให้เราเรียกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกตัวจริงๆนะแต่ถามว่าทําใหม่ๆมันจะมีเจือไหมมีมีแน่นอนน่ะแต่ให้เรารู้ทันมันเร็วๆแล้วก็ละปัญหาคือสิ่งที่ควรละนะละ แต่อาจจะละแบบชั่วคราวไปค่อยๆละแบบชั่วคราวนะรู้ทันมันแล้วก็เอวางมันปล่อยมันเนย่ยทําตามมันเนี่ยไม่คือละนะแต่มันจะเข้ามาใหม่อีกเราก็ทําใหม่นะก็ละมันนะไม่ทําตามมันเนี้ยทำแบบนี้นี่คือการละตัณหาอละตัณหาเเราจะเห็นว่าตัณหามันสร้างทุกข์นะการละตัณหากับการเห็นทุกข์เนี่ยที่จริงก็คืออันเียวกนแะ เมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นว่าต้นตอของความทุกข์ก็คือตัณหานั่นแหละมันก็จะดะนะอืมมันยากมากๆมันเป็นทุกข์ก็เห็นเลยว่าอืมันทุกข์ความอยากไปเองนี่แหละเนี่คือหมายว่ามันเห็นทุกข์มันก็คือละตัณหามันก็คือทําทําให้เกิดนี้โรธชั่วขณะหนึ่งนิพพานน้อยๆน่ะไม่ใช่นิพพานจริงๆหล่กนะนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะนะมักก็จะเดินในตรงนั้นเต็มที่นะ แต่ก็เป็นทีละขณะเนานะเป็นการเหมือนสะสมนะเป็นการสะสมสติปัญญาขึ้นเรื่อยๆเน้วก็นักก็ฝากให้พวกเราได้นะสองสาวันสุดท้ายนะให้ให้ตั้งใจถ้าเราตั้งใจที่ตัวเราเนะี่ยเราก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนนะได้มีความตั้งใจเนาะถ้าเพื่อนคนไหนเผลอพูดมากเนะเรารู้ตัวแล้วก็หยุดออ เราหยุดบ เ, เพื่อนเขาจะรู้ตัวเอเขาก็จะหยุดของเขาเองนะแต่อย่างหนึ่งเขาคนที่สำรวงดีนะเขาต้องเราดูนะบางทีจิตมันทําไมคนนั้นเขาพูดทําไมคนนี้เขาดื้อตัวทําไมคนนี้ก็ไม่ปฏิบัติเนะี่ยมันก็จะมีนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไร น, นะเนะเราก็ดูตัวเองนั่นแหละนะไม่ต้องไปไม่ต้องเลยว่าเขาไม่ต้องไปตำหนิเขานะใครทาําก็คนนั้นก็ได้นะ แต่เราเองก็ต้องเผออจะเผอวปวิาพากษ์วิจารณ์ตำงนี้คนอื่นในใจนานอันนั้นก็ขาดสติเหมือนกันนะเ <c oughs> นี่ยคือเราสำรวจเราก็ได้ของเราเองคนไหนไม่สำนวนเขาก็อาจจะเผลอส ต, ติเขาก็เสียไปจากคนเขาเองนะแต่ถ้าเราไม่สำรวจที่ใจของเราด้วยเนะี่ยเราก็ขาดสติไปนี <c oughs> ่ยเราก็ให้ดูตัวเองเป็นแบบละกันนะฝากไว้